5. ปาราชิกาธิอาปติว่าด้วยอาบัติปาราชิกเป็นต้นวิเคราะห์ปาราชิก339พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าปาราชิกตามลำดับบุคคลเป็นผู้เคลื่อนผิดพลาดและเหินห่างจากสัตว์ธรรมทั้งหลาย อันหนึ่งแม้สั่งวาดก็ไม่มีในบุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตนั้นว่าอาบัตปาราชิก